มากกับพ่ะปั้นกันกับเทียนามเที่ยนางหมาเทียนเหล่ า, าลสรัดพิมยกกระแห่งมันมีกำลังใจที่พูดพระพูดแล้วว่าค่อยเกิดผลพระพูดใเจ้าขนสอนคนมี้กำลังใจประกาศศาสนา สมัยท่านสอนปัญจวัคคีย์พระเจศาการแรกอัญญาขุนธัญญะในหวงตาเห็นถรำการต่อมาสะพวกปัญจวัคคีย์ทั้งหาทั้งกนธัญญาปปะัติยะมหานา ม, มาอสศิจะได้เป็นพระอรหัตอรหันต์จากนั้นท่านจะสอนให้ยะทางกันไปประกาศศาสนา บวชยังบวท่านใดปีใดเดืยนก่อตามพอจิตใจของพระอรหันต์นั่นบ่มีวันเตอมสร้างปกเกิจิคงเส้นคงว่างจิเดือดตัณหาจิต่าดสูญไปบ่มีวันใดจิตโขึ้นอีกไปเหนือเสือใจคนคนนั้นไปสถานจิตใดบ่มีการท้ำชั่วตัวของตัวเองจะมีตัวบวชใดคนอื่น สี่คบขาสมาค่มกับวิมีผู้ใดสี่เสื่อมเสียจากประโยชน์ถ้าได้ควบขาสมาค่มกับท่านผู้รีมี <c oughs> จิตใจสูงเป็นพระรอรหรันต์อรหันต์แนั่นเป็นเจ้ไวเนื้อเสือใจปล่อยไปคนละทิตละทางประกาศศาสนาเพื่อสภาสัตว์หัวไปสิเลยยิ่งเบฟ่ยั่งในตัณาสังสาระพื่อืปฏิบัติายว่าจาใจของตัว ละช่วบํำเพ็ญดีนี่ความสุขอยู่ในโลกในโลกหน้าผู้ศรียัง ม, มีอุป น, ออนิสัยยังอ่อนผู้ศรีนี้อุปนิสัยสูงผู้ศรีสเร็จสจิ้นเจตันามีสมัยพุทธกาลประกาศศาสนาเห็นผลกับหูกับตา <c oughs> ไปสอนไปยาศกุลระบุตรไปสอนสดิน ล้วนทั้งเได้เป็นอาราหาัตอาราหาันทั้งนั้นเป็นขยันประกาศศาสนาพอเห็นผลประจักท่านตาปูดไปแล้ววนเนื้อเนยเมย์หลาเปาฟูฟังต่างจิตต่างใจยินดีที่จะได้หน้าตามท่ามขาม้าสอนสิพระองค์สอนไปหหูจักแจ่มใสเข้าใจชัดเจนละกิเลสถึงเป็น เทิดท่าคิตท่าใจใหวี่ยวนวายเดือดร้อนส ง, งบระ ง, งับนี่เฮ้ามันบอเป็นทําน่องนั่นมันฟังเทศเอาบุญกันมันฟังแล้วก็แล้วไปว่าได้บุญก็ได้ดีดอกบุญต่างใจฟังคือเวลาฟังเทศหรืส่วนไงฟังเทศเอาบุญฟังเพื่อส ง, งบสัญญาอารมณ์เล็กเล็กหน่อย บอได้พูดได้คุยไปในเรื่องโลกเรื่องสงสารพอชื่อว่าการฟั้งเถื่พูดคุยนี่ยเสียความเคารพเป็นบาปเป็นกรรมแจ้าผู้พูดผู้คุยเนี่ยบุญเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะความบอดกันทนทานเอาไว้ทางผู้สรงก็ดีทางผู้เถืก็ดีแล้วถึงแจ้าผู้บอดเดียกัน ตาบอดจุงตาบอดจะสิไปโต๊ะลุ้มต๊บ่อโดนหลักโดนตอที่ใดสมัยปัจจุบันมันเป็นทั น, น้องนันบ่คอยเกิดสารประโยชน์อั น, นในภภหญ่ไพศาลใหญ่จนขู่ข้นทั่วไปดูมินมินท่าวาศาสานาคำคืบในสมัยปัจจุบันเพราะ การเทศก็ตามการฟังก็ตามโ ม, มีิฟูได้ไดุ้้นงามความดีวิเศษวิโสไห้เขาเลยสันนิษฐานไปวาศาสนาเป็นยาเสพติดท่ามใน้นหลุ่มลงไปเป้่าเป่าว่าเกิดประโยชน์นี่้นที่อยู่ห่างไกลศาสนา ก้นอนจีวาด็กพีนี่พจ่แจน่าหลักของถรำเขาดูมินมินท่าโจมตีศาสสนจยิงบวกข้อมีนิดเหลืออยาไปกันไงสมัยปัจจุบันมันติดยังสั่งพอตางผังตางคนตางบรูเรื่องของศาสสนาว่ามีคุณค่าสำหรับตัว๋วหรเลยถือแลาคนเขาวัดเขาว่าเป็นคนคือคนเขา พระเจ้าพาทรงเจิมคนหมดวิชาความรู้มาวดฒิหนวยความอวดความจนอย่างสีบบนหลังคนอื่นที่เขาเหลื่อมใสมาคิดไปทําน่องนั่นแต่เโดยมากที่เขาดูมินนิท่ายางนั่น แต่พอเรื่องของศาสนาเห้าสมัยปัจจุบันผู้ต่างมันเนยอัดในถ้ำมันมน้อยคนสีเห็นถั่วถึงมันไม่ค่อยเห็นกันแล้วเรื่องของศาสนากับเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของปัจจักษ์ตังเฉพาะผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นที่เข้าใจแยบคายชัดเจนเห็นแจ่มวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันโทซอง บืงโลกพระจันทร์นังข้ามไปซอสแวงส่องเกียวดูทุกคนทุกแหง่งเสื่อโลกละเอียดขนาดใดเขาจะมีกล่องยึดแล็ปถัดซองขยายให้เห็นได้แก่เรื่องจิตใจเขาซองบ่เห็นคนผีศึกษาด้านโลกจึงบ่เสื่อมันว่าตายไปแล้วสูญไป ว่มีอันใดสิเกิดอีกเพราะว่าเห็นคิดเห็นใจนามันเป็นอย่างไดเขาซื้อ่าหมนุษย์ทั่วไปดูได้โดยมันสมองพอตายไปดับไปกับศูนย์ไปเลยมีความคิดความเห็นของนักวิทยาศาสตร์จิดกันไปทําน่องนั่นบ่หยากประพฤอกปฏิบัติอย่างใดพอตายไปศูนย์เทาเหยียด ปฏิบัติที่ยังเหตุเราอยาได้ผลเข้าเฮตไทยก็อยากได้ผลเปลือกของไฮเหตหน้าเลยเปลืได้ผลของหน้า่างบ้านอยู่บ้านอาศัยก็อยากได้ผลของบนอยู่บนอาศัยยางหน่อยกับเล่าเองเมือเวลาสาโชคฝนลงแดอดออกได้อาศัยโบเปียกบโบหอนนอนนั้นขันปูขืนหลายหลังก็อยากได้คขาเศร้าสีาคนมา ถึงผ้า อ, อาศัยยังปลูกขึ้นบางคนปลูกไหวตากแดดตากลมให้ปวกจินผุ้งพังท่านันโลกเขาเห็นด่านวัตถุเป็นของสำคัญเมื่อบยเห็นเรื่องของรรมเป็นอาเซจันนี้ย่อมด้เรื่องวัตถุแล้วมันก็เลยไปยางนั่นแต่เขาใจว่าตายแ้วศูนย์คนนันมดคุ้นค่าทางศาสนาถือว่าเป็นอุตเสทิชิ เป็นทิดทีทีท่ไร่แลกทำคำสอนของพภูริเจ้าว่ามารถี่แสดเข้าไปในคิตใจของเขาได้ถ้าเขาเสื่อมหมั่นลงไปย่างนั่นคนคนนั้นซามาติเพื่อเฉวเสียได้ทุกวิถีทางสามารถขา พ, ขาาๆๆพ่อคาเมียทำาร่ระเจ้าพระสงฆ์เยียบีวิหารย่างสะดวกสบายบอมี ทะยักแยงในจิตในใจของเขาเพราะเขาเชื่อว่าตายเหลือศูนบ่มีบุญมีบาตรทิศที่ที่เป็นอย่างนั่นเป็นทิศทีที่ได้ากาดเป็นทิศ ท, ทีที่พระพุทธเจ้าทรงตจำหนิภูมิท่ามทรงตจำหนิพอเป็นทิศทีที่ได้มากบ่สามารถสีประกอบคุณงามความดีอันใด ได้พอใจเขาเห็นแนวเนี่ยลงไปว่าตายเหลือศูนย์เพิ่งจังกี้ว่าเป็นอุเศษทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิทีททททท่ร้แรงต่อขั้มขัสอนของวัตถุใจเจ้ า, า <c oughs> แต่ความจริงคั้สอนของพัตถุใจเจ้ า, านั้นเ <c oughs> พิ่นกะบ่กได้พิ้ ว, ว่าตายเหลือศูนย์ตายเหลือเกิด <c oughs> ความเทียงก่อาตา่ำความศูนย์กาา็อต่ม พระพุทธเจ้าบอส่งพญาก่อนเป็นอุศเศทิฐิธิ์ตายแล้วสุนหรือสากสาติธิตายแล้วเกิดเคยเกิดเป็นอันใดก็เกิดเป็นอันนั้นมากหม่มาหนีมาดวงทุเรียนปลูกสถานที่ใดก็เกิดเป็นทุเรียนข้องเก่าเป็นบักม่วงบักเผาวข้องเก่าพันข้องมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างน่ะพระพุทธเจ้าขอบ่กรับรองสําหรับมนุษย์สําหรับสัตว์เป็นไปเลย บุญกรรมที่ทำไว้ตายศูนย์กกมีตายเกิดกกมีตายศูนย์นั่นหมายถึงพระอรหัสตอรหันมีพ้านั่งประะมรังศูนยย่างคนว่าศูนย์บ่มีพบใีชาติอีกผู้ที่หมดกิเลสตัณหาในกิตในใจแต่บ่ได้ศูนย์ไปย่าง ของสี่โบมีศูนมันยังมีอยู่คือเหล็กผืนนั่นแหละเอาเหลยกว่าศูนย์มันมีอยู่แต่มันบ ม, มีคุณค่าทีไปบวกลบคุณหารก็เหล็กตัวใดก็ยังคงเส็นคงว่าแต่ถ้าไปเติมหนาเหล็กตัว อ, อื่นราคาสูงขึ้นนี่จิตของท่านสี่บริสุทธิ์ถึงยิ่งมดุดนี่พาน ที่วันนี้ผานั่งพลัมั่งศูนอย่างศูนยเรื่องกิเลสตันหามานาทิฏฐิอยู่ในปัจจุบันเอาโลภเอาโกรธเอาหลงมาใสเพป็นกบโลภ บ, บวโกรธ บ, บวหลงคงเส้นคงว่าอยู่อย่างนั้นความบริสุทธิ์ของเพลินบ่มีราคาตันหาบ่มีมานาทิฏฐิอันใดแต่ว่าพองใสบริสุทธิ์อยู่ตลอดแตแต่วันวตักรู จนตลอดวันนิพพานเมื่อท่านปลินิพพานพืหร่างกายแตกสลายไปใจอันนันว่บ่เด็ดไปก็าบพบไม้สาสตรไม่อีกเหมือนผัวเข้าทั้งหลายที่มีเสื่อยุคเพอ่จะว่าสายศูนย์แต่ตายศูนย์แบบนั่นคนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติพึกัดจิตใจบ่มีการขยะขยแยงยินดีที่จะไป ยิ่งดีที่จะอยู่ในความสุขของตัวเพราะความสุขนั้นเป็นความสุขอย่างวันนี้พานั่งปลมัมงสุขขังมีความสุขปลาเสือบีเศษยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสตัณหาเพป็นจังหือวันนิ้พลานเป็นยอดของความสุขแต่คนที่มืดบอดคือหวกเข้าเข้ามานั่งยืนอยู่พวกนีู้ดได้อยากไปดอก อยากไปมีผ้านอยากไปหน่อยที่สุดในวาลาจิตพอถือไว้มีผ้านนั่นมันศูนมีผ้านั่นมันบ่มีโลงหนังลงละควนบ่มีหญิงมีชายที่ไปกอดไปจูบมันเลย่ยซิปของในภพในชาติี่เคยซิปค่อยของมาทั้งทั้งขีเวลามันบ่สมหวังหล่อหา <c oughs> เป็นทุกข์ มันก็บโบเกต์บลาพอจิตมันโบเคต์ได้สัมผัสกับอัธถัมภที่ดีที่ละเอียดมันเลยถือว่าความสุขหนึ่งอยู่กับตาดวงหูฟังจะมูกได้จินลินได้รสกายได้สัมผัสมันถืออยู่เพียงกามคุ้นจ้างหาแต่การมคุณทั้างหานี่ัซัดทั่วไปมันก็มีได้มันโบมีใจมนุษย์เท่า ว่าแต่มันก็บอกมีผดมีพันสมันกะมีหูมันกะมีเบาดีมันกะแยงหางใสเห็นหม้าบักการบักลุขันห่างเหี้มันว่าแต่มันกะเลี่ยนหนีพอสมันเห็นหูมันเลยยิ้มมันพอปะกันกับรรุนเถางก่อมพัวเข้านางน้ากันอยู่เนี่ยบุคิดแตกแตกต่างอันใดราคาตันหากามไมิเลฉนี่ยมีคืบคือกันความอยากของมันอาจหน่อยกว่าเห่า จินมงายนอนไง่ายว่าหาเสื้อหาหมอนจิ้มไปดินมไ้อย่างมันก็จิ้มได้แล้วบควกล้วยจินอิ่มแล้วก็หนีไปบ่ได้สดั่งยุงสั่งสางใช้คือมนุษย์เท่าเกิดขึ้นความมากหน่อยของมันมันมากน่อยกว่ามานุษย์อีกเสือบผ่ามันกะบนุงบ่ถือมันยูสบาย ยิ่งกว่ามนุษย์ของเฮา <c oughs> แต่เฮาตำหนิมินท่าว่ามันเป็นชาติที่ตาำสาลาโมกแต่ความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องกรรมมันมีทําน้องเดียวกันกับมนุษย์เฮาบุาพิตแตกแตกต่างอันใดที่ว้ามันบ่ได้ศึกษาเราเรียนได้ปรินญาหนั่นปรินญานี่แต่มันก็มีปัญญา จำม้าจจำซ่องจำเจ้าของบ้านได้บกโกงก็เจ้าของเวลาเจ้าของหายมันก็บอกูกกุศเวลาเจ้าของดีมันก็บอกนี่อันใดในจิตในใจของมันนี่จะความรักใครคือสารพุทธลิศตอนเจ้าของผู้ใหญ่งดูมันพิดแตกแก่กลางตันกับมนุษย์เท่า มนุษย์เท่าหนิว้วหลายเหลี่หลายเรียมอิจฉาพยาบาทเป็นเจ้าเป็นจอมถูกใจกระสันและเสริญคิดใจกันิ่งท่าหาเหลือรลอยเหลี่ยผนเรียมเรื่องของมนุษย์บชซื่อสัต์พอเบิกดุเบิกดางเท่าดอกเบิกดุเบิกดางเทาื่อสัตย์กลัวเจ้าขวางมันบวเคยกัดเคยเฮาดอกผู้ท่เอาเขา อาหารเห็นมันกินนี่เป็นเรื่องของโลกที่เข้าควรมากที่มีปิเจริหน้าสติปัญญาของคนที่ศึกษาไปในด้านของโลกของวิทยาศาสตร์ถึงมีความสามารถรอบรูสิ่งต่างๆได้แต่บบมีท่าที่จะทํำล่กิเลสตัณหาในใจ หายตกหายรุดห้โลนออกไปนี่แต่แค่ทางทำร้ายตัวเองและคนอื่นทําลายตัวเอียงยางด่ายจเราว่าเลยศึกษาในปริญญาบัตรบ่าเลมีความรู้เขาดูมีนิ้นทาย า, ยางหนัอยางแล้วก็ไ่ค่อยปวดพราะเราบ่ามีความรู้ถ้าหากักเรามีความรู้ขึ้นมาเขาว่างงเห่าเตาตุนบ่าเลศึกษาตา ด, าดําใจแดงสุด น่ะมันเผาอยู่ของเราแน่มันเป็นทุกข์เป็นโทษหรอเพราะความเหยียดความถือโมเมนศึกษาบุนปฏิบัติเพื่อละเพอว่าเพื่อถอดเพื่อถอนคือทั้งศาสนาทั้งศาสนาเพื่อศึกษาปฏิบัติเพื่อถอดเพื่อถอนจิตออใจผ่องตัวสิ่ของคิตคิดแวะในทางชั่วทางเสียต่างๆให้จบออกไปให้ใจละใจเห็นทุกข์เห็นโทษ ยิ่งเผื่อจะจี้บักเข่าใจอัดท่ำเท่าใดความเป็นผิดเป็นไพ่ฟัามร่อนล้นกระว้นกับวหวเข่าใจเบาไปสบายไปเท่านั้นพอละได้ท้อนขาดทางท่ำจึงเป็นเรื่องสาคัญถ้าผู้ใดศึกษาเข้าใจเรื่องของอัดท่จริงจังแหลวคู้นั้นมีคุณค่าสระสูงสําหรับตัวเอง แต่มีความสุขพออารมณ์สัญญาบริย่วยุจิตใจให้ของติดคิดปุงสื่วเสียมืนก่อนคิดไปปุงไปในทางที่ดีมีประโยชน์แก่ตนและคนอื่นความคิดปุง่งว่ามันชิดสังหารหล่างผานคนอื่นและตัวเองมีเือทางธรรมะ ผู้ถือประเพณีปฏิบัติแมี่ยบวมีส้มบัตรพัดถ า, านเสาของบาน <c oughs> ่องในปริญญาบัตรจิตบนจิตตัวก่าต่างแต่คุณงามความดีที่เห็นเด่นชัดในจิตในใจคือความสงบสงัดความอัศจรรย์ซึ่งเราเคยศึกษาเราเรียนมาในลาบในยศสลรเสื่สุขมาเจ้าเก่าจ้ากอนยงางพระพุทธเจ้า ก่็ดีหรืองอนอื่นๆที่สั่นเคยเป็นกษัตริย์เป็นเทศรษฐีก็ดีถึงเคยมีสมบัติล้นหลามโมเคยอดอยากอยากจนผูดถึงลาบส ก, กะละผุดถึงยดจะเป็นถึงกษัตริย์ผูดถึงความฟุ่ในเรื่องของกลามกับโอดอยากยากจนมีคนบํารุงบํำเล่น้าเนี่ย ข้าเจติดในสุขของโลกเหมือนพวกเราที่บ่ิเ็นอาเทนธรรมามีวันที่จะออกได้มือปิดปิดตาพระพุทธเ จ, จ้าเพียงอายุยี่ิเกาปีว่ามีอายุมากคอยจิตจะเบื่อใเรื่องของโลกของชงสารกำลังมัวเมาบอง่ายๆกันหัก คือพวกเขาธรรมดากำลังมัวเม้ากำลังหลุมหลงบางคนผู้สิ้นคนเบื่อในเหลืองหลามยศสลาเสื่ญสุขบางคนผู้สิ้นคนเบื่อในเหลืองท้องกลางแต่อำนาจบาตรนะบุญบาลมีสิคิดอ่านคิดแกะแกะต่างกันกระโขกเข้าทั้งหลายผนคิดอย่างความแจกความตายเข้าวายาความแจกความตายเข้าวายาตัวมันจังเกิดจัง เก็นมิยัยงนี่งันเพิ่นคิดย่ากถึงมีอำนาจลาบชัเป็นกษัตริย์กับบังคับบรรพาไครฝ่าผ่าเาชไม่ได้ไม่เขาแจเขาตายเขาเจ็บเขาป่วยตัวข้องเครืองอื่นแถ้านองเดียวกันเพิ่นคิดเห็นว่าเมื่อนี้เกิดแล้วแจตายนี่ต้องมีแน่นอะมามีสี่ลบหลีสีตัวแล้วเมื่อมิ เกิดมีดจายความบ่เกิดบวต่ า, ตายขงมีดเนี่ยเราติอยู่ในสถ า, านที่นี้เหมาะสมที่จะกลนขวากที่นที่ใจหน้าหาความจริงได้เพรอสถ า, านที่นี้เต็มไปด้วยขู่ค้นประซ่าส้นเต็มไปด้วยจิ้งที่หยั่งยุจิตใจหาหลุ่มหลงเผือดเพื่อนมั่วเมาเราตรงนี้อยู่คนเดียว ที่วีเวทจึงถีอควรคิดได้พีจะน่าได้ถ้าองค์คิดอย่างนั่นยังนี้ไปท่านสร้างสิอายุยังนุ่มแน่นอายุยี่สิบเก้าปีกำลังธรรมดาคนเท่าสมัยนี้อายุยี่เก้าปีนังกับกาลังมั่วมาล่ะกําลังบ้าเบ้อย่างนักแน่นอยู่โมเป็นครูศรีสร้างเดือนาย ในหลในโรงสารยิ่งเป็นเจ้าเป็นนายเป็นกระซ า, าขขาดนั้นยิ่ ง, ลงหลงไหลไปไงกระซ า, า ส, สมัยนั้นก็สมัยนีกระพิกันอีกพอตามตหรับตำล่าพระพุทธเจ้าของเฮ้าทิษฐากุมานนี่นักสนมอยู่ต่้งหก0มืนนอกจากนั้นพิมพ์ผ้าไปยัง 60, น, นี่อยหก6มื0นคนเมียบพงเพเรื่อนจังแจแต่ตี ที่มีรูปดีมีจิริยาสวยงาม่านเลือกมากจากที่ต่างๆมาถวายมาถวายคนมาให้เสอยาพี่ๆโดยบริษัแแ้งเจียอาชีพใหยอันใดใหไๆกะนเงินดีมามอบให้ยิงเรานั่นก็เเสมใจตีใจอยู่มามุ่งมามเล้อ โมเบือนายกข่อยเป็นอนุพระรยาเจ้าจเป็นพระรยาหลวงข่อยเป็นพระรยาหน่อยว่าทะเลาะ บ, บ้แหว่งกันอยู่ด้วยความสมัครใจเผดเพื่อนในวิถีฐากุมารทั้งนั้นถ้าหากปวกเล่าเหรอนี่แต่แค่เียืงคนเหยื่ตาเป็ดเหยียบมันก็ยังหนีบ่ได้หายด่ากันอยู่กูยังขันมึงจังสี่ก็ยังหนีบ่ได้มันคิดกันไก่เฮากับพระพุท ธ, ธเจ้า เกียบกันเลีวไก่กันหลายนี่เพึ่งห น, นีไปประพึ่งปฏิบัติเพื่ออัดท่ามขนคิดพินิจพนะิจารณาศึกษาจากครูจากอาจารย์เห็นว่าโบมันทั้งสักทรู้ออกไปอยู่องค์เดียวประพึ่งปฏิบัติจนในสักทะรู้อริยสัจ ท, ทั้งสี่พึ่งทุกสมมติไถ่นี่โหลดมาก หนีเป็นสัจจะท่านตีพระพุทธเจ้ารู้ผู้ที่รู้ที่เห็นที่เป็นในคิดในใจได้อาสวัคยายาคซื้อกำจัดอาสวะกิเลสตัณหาทำลายล่างผานอวิชชาอุปาท่านพังออกจากคิดจากใจทุกสิ่งที่ควรกำหนดรู้ พระพุทธเจ้าก็บอกไวสส้ข้ า, า, าตาาีปิดลูกค้าข้าปิดลุกค้ามรณะปิดลูกคั้งตัวกาปริเทวะเลื่อยไปเฮาเคยศึกษาเคยอ่านตำลับตำล่าจำได้แต่เฮาบอกเห็นว่ามันเป็นทุกข์การเกิดขอ ง, งเฮาเห็นแก่ตัวการทัวเวลา่าเหมือนฝาแล็บมันพอพอสิท่ำการทํางานอันได้ได้นี่พระพุทธเจ้าเรื่องไอ้เจ้าทั้งหลายเพิ่นเห็นไปจากชาัดเจนเรื่องทุกข์ มนเกิดมาเนี่ยเป็นปัญหาสาคัญเป็นทุกข์ใหญ่สุดพอเกิดมาแล้วมันบวมเกิดตั้งแก่รูปเท่านั้น <c oughs> บวมเกิดเจ้น้าเท่านั้นจริงๆมันเกิดมามันนับอันพันอย่างบวดาเกิดขึ้นมาในรูปในกายของเฮ า, าเฮาเบนผิวหนังนอกๆ น, น, นี่ก็คือจังโมมีอันใดมาอาศัยโมมีม ถวดมีไข้ขันเดินไปภายในอยู่ในท้องในใสมันจัดกระตืดชีเกระตึกหลาวชีเกระตึกปากขอชีกระตึกเข็มมุดชีเกระตืกเต็มได้โรคขยัจลิตที่ดวงล่าำใสลิต ท, ที่ดวงท่าว่านลิต ท, ที่ดวงจ่าหมูในตับใน ใ, ตในใสในใสในพุ่งมีตั้งแต่โลกแกไข้นำหูนำตากระมี้น ว่าวันไหนบนบ่เกิดโลกเกิดไข้โรกไข้เรานี่มันมาอาศัยความเกิดของเห่าเนี่ยถ้าหากเห่าบ่เด็เกิดโลกไข้ไอหน้มันก็บ่เกิดบนมีความหิวความกระหายความอยากได้อันนั้นความอยากมีอันนี้มันเกิดเพราะความเห่าเกิดถาความเกิดจึงเป็นอมไหวหนึ่งความทุกข์ทั่วไปทุกมันเกิดขึ้นได้เพราะความเกิดเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็อยากอันนั้น อยากอันนี้เรื่อยๆไปให้มันได้สมใจกันแห้งปากกันน้อยโตขึ้นไปให้มันได้สมใจทิศฟางกัเกิดทุกข์ขึ้นอีกได้มากกัทุกข์ในการรักษางวงแขนมันนี่แต่จะทุกข์ทั้งนั้นขี้เจิญหน้าตามธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็เคยขี้เจริญหน้าอยู่บ้างแต่มันบประทักใจ ผันจันหมันมรณะภาพออกเที่ยววิเวกพองานศพเสร็จไปพักบ้านน้องลาแต่จำวันนีล้ลาบัได้แต่เป็นฤ ด, ดูที่ฝ่าตกฝนลงคงเป็นเรือห่าตายเดือนกบอึงมันห้องน้มเต็มบวกเต็มหนองกูค้นชาวบ้านเข้ามาจับกบจับอึงไปจิน เล่าก็เดินจนกลมพอฝนตกแล้วมันเดือนมันหงายอยู่บ้างแต่กบอือ ม, มือกับห่องทัว่วถุงทั่วหน้าเขาบวงจักว่าพระไปพักหันเป็นวัดห้างผมเคยมีพระมานานแล้วกุดีวีหารพออาศัยได้แต่กูดีวีหารขาแถบตองมุ้งตองนี่พาไปจำพรรษาอยู่ในปีน่ะ แจทานนี้ไปอย่างแกออกข้า้น้าแล้วจนกระทั่งเดือนนี่สามกัหลายเดือนทางชขงกลมจีเขาเฮ็ดไหวมันก็มีแต่แจส่วนใหม่หงามันเกิดได้ไปเดินทางนอกทางนอกนั่นก็มีปลาแต่มันแปนเป็นทรายพ่อเดินได้สบายเอาไปเดินโยห์หันเขาก็จับกบจับเกียร มาล่ำเหนี่ฟังโดนไปหลายนับหมื่นหยู่มุ่งมากคือหากไทยโดนไปหลายนับหมื่นพ่อสิ่พ่อใดบนจังไดเลยนี่คาล่ำของเขาเล่าคำล่ำพิจนาหน้าถูกมันจะทับใจเหมือนกันกันพบพระพุทธเจ้ามัทธิย์เส็มหูนําคําล่ำของเขาเหระมาพิจิเจริญหน้าระทับใจหลายจนโดลืมในคําล่ำของเขา และความประทับใจที่เรารู้เล่าขอใจในขณะขี่เราพิจารณานั่นนี่แหละสิ่งที่เฮาเคยเห็นโดยตาไดยยิ้นโดยหูถ้าหากจ้าของเฮาว่าั้ำผัดมันก็โ บ, บเกิดสารประโยชน์ได้หาถ้าหากใจของเราส้ำผัดในอันนั้นชาติเปลียนแล้วเล่าตีบรงนี้วันลื่มหลงในสิ่งที่เราได้ซ้ำผัดนั่นบมื่อว่าทังถุกบมื่ว่าทังถุก มันประทับใจขนาดมันบอสะดุอใจแล้วเรื่อเลื่อยั้นมีห้องมันบอสะดือดใจในข้อมแจงความตายบอสเดุอดใจในทุกในไพ่มันจิงบัเบือบัวนายหากมันสะดุอใจแล้วมันเบื่อมันนายมันอยู่ว่าได้มันเห็นเป็นไพ่เป็นกองไฟไใครสืบเรียนเข้าไปเหยียบไปก่อนสําหรับกองไฟ แนงนอนมันยืนเข้าไปบูงหัจักมันตีขาดตายฆ่าของไฟเฮ้าเคยเห็นนี่คือมันบูงหัจักว่าไฟมันห่อนนี่เฮาบูงหัจักว่าทุกมันเป็นเครื่องแผลเขากายใจของเฮ้าทุกมันเกิดข ค, คือมาจากอันไหนจากส ม, มุไทไพคื อ, ค ว, อ, ค, ว อ, อความอยากความอยากนี่เป็นไพ่ความอยากของใจนี่เวลา เฮยังเด็กยังเล็กอยู่มันก็บ่อยากใช้บ่อยากเป็นเศรดทีคือดูพี่บ่อยากได้อยากรลยอันใดมีแนวใดไม่ก็เล่นไปอยากกินน่มแม่อยากกินเข่ามันก็ห่วงไห้กินเหล่ามันก็นอนรับสบายแต่เมื่อมันใหญ่เติบโตขึ้นมาเป็นถ่้าเติมหน้าแตกนึงแตกสาวมันอยากอะไรอีกอันนึงได้ฮะแต่คอยากลำอยากเลื่อยมันก็ยังบ้านอยากรําอยากรวือกันไหดอกแต่มันอยากไปในข้างกามบ้าไปในข้างกาม เหวมเฮเหวมไปในทางกามเมื่อมันได้เรื่องของกรรมนี่ครอบขัวผัวนี่แหละมันอยากได้อะนึงขึ้นอยากได้ลูกได้เขาได้ของในเงินในทองมันเลยต้องมีเวลาพ้อความอยากของคนความอยากคนใช่ปะกว่าให้เกิดทุกข์